พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิองพระสูตรที่ิมหาธรรมะสมาทานนสูตรสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามตรัสถามภิกสูตรทั้งหลายว่าโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความใกล้ความพอใจความประสงค์ให้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจเสื่อมไป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 ไม่รู้ธรรมะที่ควรเสพไม่ควรเสพควรคบไม่ควรคบเมื่อไม่รู้จึงเสพธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมะที่ควรเสพคบธรรมะที่ไม่ควรคบไม่คบธรรมะที่ควรคบเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเจริญยิ่งสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเสื่อมไป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 มีทุกในปัจจุบันมีทุกเป็นวิบากต่อไป 2. มีสุขในปัจจุบันมีทุกเป็นวิบากต่อไป 3. มมีทุกในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไป 4. มีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไป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 การสมทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันมีทุกขเป็นวิบากต่อไปคือพระพฤติ ช, ชั่วหรืออากุศลกรรมบทสิบอย่างมีทุกข์คือไม่สบายกายมีโทมนัตไม่สบายใจเมื่อตายไปก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก 2. การสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันมีทุกขเป็นวิบากต่อไป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 ตรั ส, สรุปในที่สุดว่าการสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปย่อมรุ่งเรืองรุ่งโรดเหนือสมณะพราหมณ์ผู้มีวาทะอื่นเป็นอันมากเหมือนดวงอาทิตย์ในฤดูสาสตร์ในเดือนท้ายพรรษาเมื่อหมดฝนรุ่งเรืองรุ่งโรดเหนือความมืดทั้งปวงที่มีอยู่ในอากาศฉะนั้น